ปฏิสันทานมีอยู่สองอย่างด้วยกันปฏิสันทานนี่ก็คือการต้อนรับนั่นเองการต้อนรับด้วยอามิตรกับการต้อนรับด้วยธรรมะคําว่าการต้อนรับด้วยอามิตรก็คือการต้อนรับด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยที่พักด้วยที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้น น, นนะข้าวของเครื่องใช้อะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าอามิตรปฏิสันทาน แล้วก็อย่างที่2ก็เรียกว่าธรรมปฏิสันทานด้วยการกล่าวทรมมีคาถาสนทนาธรรมหรือจัดให้เกิดการฟังธรรมขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมปฏิสันทานในบรรดาปฏิสันฐานสองอย่างนั้นธรรมปฏิสันฐานเป็นเลิศ ก็หมายความว่าถ้าเป็นพระภิกษุก็หมายความว่าเอาเรื่องปาฏิโมกข์เข้ามามามาสุงเคราะห์ใช่ไหมครับสมมติว่าก็คงคล้ายกันนะเวลาตาเห็นก็ก็เห็นแต่ว่าเป็นบุคคลเป็นเป็นสีเป็นสีเป็นรูปารมเนี่ยแล้วก็แต่คง มมมันนนไ่เป็ลูโลดูนะเป็นเปนลนถ้าเห็นอริเราก็จะห่างถือถ้าเราไม่เห็นสังวรเหล่านี้นะถือว่าเราไม่เห็นอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยนะถ้าหากว่าสงเคราะห์ไม่ได้เราก็เป็นปุตุชนเป็นลักษณะของอันท่าปุตุชนเลยนะในขณะนั้นนั้น เราวิจัยเป็นเป็นอารมณ์อารมณ์นั้นๆไปเลยนก็จะเป็นลักษณะของอันทะปุตุชนนีอันนี้ก็ปรับคุยๆกันดูนะก็หมายความว่าถ้าเป็นพระภิกษุก็หมายความว่าเอ่อเข้าไหมดูนะเป็นเป็นล่ะถือเหล่านี้บุตรละแต่ บางแห่งพระองค์กล่าวว่าตะบะและพรหมจรรย์นั้นไม่ใช่น้ำแต่ก็สามารถเป็นเครื่องชำระชะล้างความคิดเราได้นะกุศลธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องชาระความคิดของเราถ้าหากว่าเราไม่เห็นสังวรเหล่านี้เราก็จะห่างถือถ้าเราไม่เห็นสังวรเหล่านี้นะถือว่าเราไม่เห็นอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะนะถ้าหากว่าสงเคราะห์ไม่ได้ เราก็เป็นปุตุชนเป็นลักษณะของอันธะปุตุชนเลยนะในขณะนั้นนั้น น, นะเราวิจัยเป็นเป็นอารมณ์อารมณ์นั้นๆไปเลยนะก็จะเป็นลักษณะของอันธะปุตตุชนนะอันนี้ก็ แม้แต่ว่าสงครามศาสนาก็ตามเถอะก็คือแ ย, ย่งกามอีกนั่นแหละถึงสงครามศาสนาก็สงครามแย่งกรรมนั่นเองแย่งแย่งศาสนกแย่งคนนับถือแย่งอะไรก็คือวัตถุกรรมนั่นแหละแล้วก็อาศัยกามนั่นแหละทำให้คนถึงกับก่อกรรมทำชั่วทางกายทางวาจาและทางทางใจเพราะคนที่จะเข้าฌานได้นั้นเขาสงัดจากกามวิวิจจกรรมเมหิวิวิจาามมววจกอกุสเลหิตทำเมหิตนะ สงัดจากามสงัดจากอกุโสรธรรมทั้งหลายบรรลุปถมชานนะอันประกอบด้วยสุขอันวิเวกประกอบด้วยปถมมชานที่วิเวกสุขนะประกอบด้วยสุขและวิเวกเนี่ยนั้นะปฐมมชาน่วนยายลัาก็เลยบอกว่ามีองค์หกันแต่ท่านในคำพีท่านในพระดายบิดดกท่านบอกเลยว่าสงัดจากาม สงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานยังไงท่านจะบอกในลักษณะนี้เลยดังนั้นการเจริญเมตตาเป็นต้นเพื่อให้ได้ฌานเนต้นนั้นอะ่ะคนเหล่านั้นจะต้องเห็นโทษของของกามอันนี้คือคือถ้าหากว่าในลักษณะเป็นเจริญกุศลธรรมเพื่อพรหมโลกแต่ถ้าหากว่าเจริญกุศลธรรมในลักษณะเพื่อเทวโลกคนนั้นจะต้องเห็นโทษของการล่วงอากุศลกรรมบท เมื่อเป็นคนที่เห็นโทษของการล่วงอกุศ ล, ลกรรมบทจึงสมาทานในการประพฤติกุศลอยู่ไหมข้อไหนอัพยาปาทะกรรมบทเนะี่ยเป็นมนโนกรรมนะการเจริญเมตตาก็คื อ, อยังอยู่ในมนุษยธรรมถ้ายังเป็นกุศลทั่วไปถ้าไม่ได้ฌานะก็ยังเป็นมนุษยธรรมอยู่ถ้าหนักแน่นไปด้วยฮิริโอตปะปาคก็เป็นปฏิสันทานมีอยู่สองอย่างด้วยกัน ปฏิสันฐานนี่ก็คือการต้อนรับนั่นเองนะการต้อนรับด้วยอมิตรกับการต้อนรับด้วยธรรมะคาว่าการต้อนรับด้วยอมิตรก็คือการต้อนรับด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยที่พักด้วยที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้น น, น, นะข้าวของเครื่องใช้อะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าอามิตรปฏิสันฐานแล้วก็อย่างที่สองก็เรียกว่าธรรมะปฏิสันฐาน ด้วยการกล่าวทำมีคาถาสนธนาธรรมหรือจัดให้เกิดการฟังธรรมขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าธรรมะปฏิสันฐานในบรรดาปฏิสันถานสองอย่างนั้นธรรมะปฏิสันถานเป็นเลิศการต้อนรับด้วยธรรมะนี้เป็นเลิศแต่ในขณะเดียวกันคนเดินทางไกลเนี่ยนะมาถึงก็เจอหน้ากับสนธนาธรรมเลยนี่คงยากหน่อยเนาะก็ต้องมีการต้อนรับ ด้วยข้าวด้วยน้ำถ้าหิวอยู่นี่ก็ฟังธรรมคงยากะนะเทศลึกซึ้งขนาดไห น, นก็ไม่ลึกอะมาท้องมันลึกกว่าเพราะฉะนั้นมีบางแห่งนี้บางคนนี่หิวถ้าหิวแล้วใจไม่เป็นสมาธิต้องทานอาหารก่อนแล้วจึงจะฟังธรรมได้จึงจะบรรลุธรรมมีในคัมภีร์อยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นคนหาหาโคละนะ โผหายตามหาโผทั้งวันแล้วก็ยังไม่ได้ทานอาหารเลยก็เข้าไปในที่ที่ฟังธรรมพระผู้มีพระภาคก็สั่งให้เขาแต่งอาหารให้กินนะทานอาหารเสร็จแล้วก็ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะอันโภชนะสปายะเป็นต้นก็มีความสําคัญมากนะเรื่องสปายะทั้งสถานที่ก็มีความสําคัญอาหารก็มีความสําคัญ กิริยาบทก็มีความสําคัญการพูดคุยการเจรจาปราศัยก็มีความสําคัญและก็คนข้างๆเคียงนี่ก็มีความสําคัญด้วยต่อการเจริญขึ้นของกุศลธรรมเราจะสังเกตอยู่ว่าเรานั่งกับคนบางคนนี่กุศลจิตไม่เกิดเลยก็มีนั่งกับบางคนเนี่ยนะโลภะประเภทเพ้อเจอ้อนี่จะไปละ นะเจอคนนั้นก็อยากเล่าอยากเล่าจริงๆรินะก็มันก็จะไปเรื่อยบางคนก็ไม่เป็นสปายะในการเจริญกุศลธรรมอัเราทั้งหลายก็ต้องศึกษาแยกแยะถ้าผู้ที่ฝ่ายใจว่ากุศลธรรมเป็นสาระเขาก็จะเลือกแยกแยะพิจารณาในทุกอารมณ์ที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อกุศลจิตเกิดไหมแต่อย่าลืมว่า กุศลจิตเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความเจริญถึงเราศึกษาเรื่องเมตตาเป็นต้นถ้าเราไม่รู้จักบริหารสถานที่บริหารเวลาบริหารการเกี่ยวข้องบริหารการคลุกคลีอย่างไรเราก็ไม่สามารถที่จะรักษากุศลธรรมได้เมื่อเราไม่สามารถที่จะรักษากุศลธรรมได้การเจริญกุศลธรรมชั้นสูงก็จะยากไปตามนั้นเรื่อยๆทันกุศลธรรมชั้นสูงนั้น อย่างเช่นวิปัสนาฌานหรือมรรคผลนั้นส่วนใหญ่เป็นผลของคนที่มีกิจน้อยคนที่มีกิจมากๆก็จะยากหน่อยแต่ทีนี้ของเราทั้งหลายก็คงไม่ได้ตั้งขนาดว่าโวิปัสนาต้องต่อเนื่องฌานจะต้องเป็นขนาดนั้นหนระนะอมั้นถ้าเราตั้งจิตไว้ไม่ถึงกระสูงมากนะักนะก็ฟังธรรมพอเป็นวาสนาพอเป็นบารมีไปวันๆหนึง่ง กุศลจิตเกิดออวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ยังดีดีกว่าไปคิดเรื่องอื่นๆอย่างนั้นเลยน ะ, ะส่วนใหญ่ก็คนก็จะตั้งไว้สั้นๆการฟังธรรมบางท่านก็ฟังเหมือนกับไปทานอาหารเลยนะเพลินๆไปวันๆหนึ่งนั้ น, น, นแต่ละท่านนั้นอุปนิสัยที่แตกต่างกันเมื่ออุปนิสัยที่แตกต่างกันนั้นผลของการฟังธรรมก็แตกต่างกันด้วย บางท่านสามารถฟังแล้วก็เอาไปไปใช่ตามนั้นได้เลยบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเลย <c oughs> อันนี้ก็คือความแตกตา่างซึ่งในยุคนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้แต่พูดแสดงธรรมเองก็แสดงธรรมในเชิงหวานแห่ก็ว่างั้นพูดไม่รู้อารวมๆไปก่อนอนะถูกก็เอาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเจอต่อก็ไปเย็บแผลใหม่ <c oughs> แ่ก็เป็นลักษณะนั้น การศึกษาทําอย่างไรที่เราทั้งหลายสามารถที่จะรักษากุศลจิตได้แต่คนที่จะฉลารักษากุศลจิตได้นั้นคนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในพระธรรมค่อนข้างสูงมากถ้าหากว่ามีความเข้าใจในพระธรรมน้อยจิตเป็นธรรมชาติที่รักษายากถามว่ารักษาอย่างไรรักษาจิตใครรู้บ้างนะรักษาอย่างไรรักษาจิต บอกว่าผู้ใดสํารวมระวังรักษาจิตได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารรักษายัางไงอ้าวเห็นก็รู้แล้วใช่ไหมอ้าวจิตเห็นอา้าวคิดอีกพอเห็นแล้วคิดเลยเรียกชื่อได้เลยใช่ไหมหูได้ยินเสียงอา้าวได้ยินไปอีกแล้วจิตก็เกิดขึ้นวิถีจิตนึกคิดเรื่องราวที่ฟังอยู่นี้ ก, ก็จิตอีกนั่นแหละถามว่าจะรักษาจิตนั้นจะรักษาได้อย่างไร แต่ถ้าผู้ใดรักษาได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมาร น, นะรักษาอย่างไงภูการเอารักษาอย่างไงรักษาจิตมี่นี้ไม่พ้นหรอกรักษาให้เป็นกุศลเถอะครับรักษาอย่างไรก็รักษาด้วยสังวรครับนีงง้ที่สุดนะเอาสังวรเลยนะเหมือนั้นก็ไม่สังวรก็นั่นแหะครับ ดูสีก่อนนะครับเชินทานสีนไม่ศีลก็ต้องขึ้นไปนู่นนะครับสมาธิครับจิตตะศิขามันอยู่เนี่ยศีลสิกขาจิตตะศิขาอืปัญญาศิกขามันหนีไม่พ้นนะเนี่ยถ้าผู้การเห็นผู้การถนัดเนี่ยจะเป็นกุศลอย่างไงก็โยนิสงมนุษการครับออืลอ ง, อ ย, งยกตัวอย่างเลยนะอย่างน่าที่สุดก็เจริญเมตตาครับเชินทานคิดถึงความดีของท่าน ท่านไม่เคยดูลูกไม่เคยดูภรรยาเลยอยน่ารักจริงๆกับพ่อแม่ชาวลานนานี่จริงๆนะนี่ผมไม่ได้แกลงชมนั่นจริงๆนะพ่อแม่ชาวลานนานี่มีความอ่อนหวานมีความพูดกับลูกน่ารักนี่คิดถึงความดีของผู้อื่นก็เป็นเรื่องของจิตที่เป็นกุศลเออา ก็คงจะหนีโยนี้สมรธิการไม่พ้นคงจะหนีเรื่องสังวรไม่พ้นหนีเรื่องการเจริญวิตตกที่เป็นกุศลวิตกไม่พ้นเออนีมันก็คงจะไม่พ้นกับทานศีลภาวนาครับใช่ป่ะในในเรื่องของหวานผมหวานมาเยอะนะกว้างเหมือนกันนะเนี่ยคงไม่น่าจะผิดนะเท่าไหร่ถูกกันว่าไม่ได้อะไรทั้งอย่างยกมาหายหมดเลยอะ คุณหมอเห็นผู้การต้องใช้แล้วเป็นยังไงรักษาอย่างไงรักษาจิตยังไงก็คงคล้ายกันนะเวลาตายเห็นก็ก็เห็นแต่ว่าเป็นบุคคล เป็นเป็นสีเป็นสีเป็นรูปลารมเนี่ยแล้วก็แต่ค ง, คง ม, มันไม่เป็นรูปลารมมันเลยเป็นว่าเป็นบุคคลไปเลยนี่แต่แต่เรา ก, ก็นึกถึงความดีของอบุคคลถ้ากล่าวคือที่ยกมากล่าวไม่ได้มุ่งจะลองภูมหรืออะไรทักอย่างหรอก แต่ว่ากล่าวในลักษณะว่าศักยภาพในการเจริญกุศลของเรานี่ไปได้ขนาดไหนกันท่านนั้นเนะคือถ้าหากว่าในหนึ่งอารมณ์นั้นเราไม่สามารถที่จะสงเคราะห์พระธรรมลงได้ในอารมณ์อื่นๆเราก็ลักษณะเดียวกันนะเราก็จะไม่สามารถที่จะวิจัยลงกุศลได้เลยคือถ้าหนึ่งอารมณ์นั้นวิจัยลงศีขาสามไม่ได้นะในอารมณ์อื่นๆก็จะลักษณะเดียวกัน ตามองเห็นเนี่ยสงเคราะห์สิขาสามลงไม่ได้หูได้ยินเสียงสงเคราะห์สิขาสามไม่ได้ก็ก็ลำบากเหมือนกั น, นการศึกษาพระธรรมของเราก็ก็ส่วนวาสนาอย่างเดียวนะส่วนวาสนาคงจะเอารายละเอียดลึกซึ้งก็คงจะยาวหน่อยนะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะคุณธรรมในระดับมนุษย์เรียกว่าอะไรเนี่ย คุณธรรมระดับมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมนะมนุษยธรรมเขาเรียกว่ากุศลกรรมบท10ประการถ้าเรามองเห็นเนี่ยนะมันจะเป็นกุศลกรรมมาบทได้ไหมแล้วเป็นล่วงอกุศลกรรมบทได้ไหมยังเห็นผู้การทนัดย์ะยกตัวอย่างนะให้ให้บุญครึ่งหนึ่งแบ่งบุญงานคนละครึ่งขอตัวอย่างหน่อยนะมาด้วยกันนะเห็นป๊บเนี่ยนะ การเห็นเนี่ยเป็นปัจจัยแห่งปานาธิบาทไหม ย, ยกตัวอยา่างถ้าผลประโยชน์ขัดกันปัจจัยมีปัจจัยแห่งปานาธิบาทมีที่ว่าไม่นี่ก็คือขณะนี้ไม่แต่เป็นอุปนิสัยเนี่ยนะอารมณะปัจจัยอันนี้เป็นอุปนิสัยแห่งปานาธิบาทเป็นต้นได้ไหมนะคนที่เป็นเวรกันเนี่ยนะสามารถที่จะเป็นอุปนิสัยแห่งปานาธิบาตก็ได้ แนวความคิดอันนั้นเนี่ยนะเมื่อไม่เป็นปาณาติบาตเนี่ยเราตั้งใจที่จะสารวมว่าเออหลังจากเห็นไปแล้วนี่นะกุศลศีลจะเกิดขึ้นเราจะสังวรเพื่อไม่ให้เกิดการข้ามสมาทานเจตนาอันนั้นไว้นะอันนั้นคือสาระนะนี่คือกุศลธรรมในชั้นศีลธรรมดาเลยอันถ้าเรามองมองเห็นปุ๊บเนี่ยนะถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องปาณาติบาต แล้วสังวรว่าจะไม่ไม่ทำปานาติบาตนะอาศัยอารมณ์นั้นเป็นปัจจัยแห่งปานาติบาสก็ได้เราก็ตั้งใจสมาทานที่จะไม่ให้มีปานาติบาสเกิดขึ้นการเห็นเนี่ยนะคือเห็นเฉยยเนี่ยนะเราก็บอกว่าเห็นเฉยเฉส่วนใหญ่คนจากเวลาคุยในเรื่องนี้คนส่วนใหญ่จะนิ่งๆกันแต่ที่จริงแล้วเวลาเห็นเปิบมันไม่ได้เห็นแต่ตานะพูดด้วยนะกิริยาอาการแสดงออกด้วย นะพารูปารมณ์เป็นปัจจัยทั้งเป็นอารัมมณปัจจัยของกายกรรมเป็นอารัมมณปัจจัยของวจีกรรมและก็เป็นอารัมมณปัจจัยของมโนกรรมเป็นอารัมมณปัจจัยของกายกรรมนี่ก็คือในอารมณ์นั้นเนี่ยนะสา ม, มารถต่อด้วยปานาติบาตได้ถ้าหากว่าคนที่เป็นเวรกันหรือคนที่ไม่ได้สมาทานศิกขาอาธิศีละสิกขาสมาทานศีลเลยเนี่ย ก็จะเป็นปัจจัยให้ปานาธิบาตได้ทั้นการเห็นเนี่ยใน ล, ลักษณะความประสงค์ทันอารมณ์นั้นสามารถต่อปานาธิบาตแล้วในสีอันนั้นเป็นอารมณ์ของอัทินนาทานได้ไหมเป็นปัจจัยแห่งอัทินนาทานได้ไหม mm hmm. การหลอกลวงเป็นต้นเนี่ยนะเจอแล้วสามารถที่จะปลอกลอกได้อย่างไรนะกัรโชคทรับนะมันก็สามารถที่จะไปต่ออัทินนาทานก็ได้เราสมท า, านกุศลทินอันนี้ไหม แล้วก็การเห็นนั้นเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ประพิษผิดการมีสุมิจฉาจา์ต่อไปก็ไดนะ้อาศัยการเห็นเนี่ยนะมุสาวาดเกิดได้ไหมนะเจอคนนี้หอหลอกเลยมุสาวาดก็เกิดเจอคนนี้สามารถเป็นอารมณ์ของส่อเสียดได้ไหมนะไปส่อเสียดให้คนนี้แตกกับคนใดคนหนึง่งอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของส่อเสียด แล้วสามารถที่จะเป็นอารมณ์ของพุสวาจาได้ไหมกล่าวคําหยาบออกไปทันทีเลยแล้วสามารถเป็นอารมณ์ของสัมผัปลาปากได้ไหมเพ้อเจ้อเลยเดรชานกระถาทันต่อเลยทันทนีแล้วเจอกันเนี่ยถ้าเพื่อนเก่าก็สังสรรค์กันหน่อยสุรามีระยะเข้ามาแล้วในอารมณ์นั้นสามารถที่จะต่ออภิชาด้วยก็ได้ ต่อด้วยอภิชาก็คือเช่นเห็นทรัพย์สินของคนนั้นมีอะไรบ้างคิดจะเอาะน้อมทรัพย์สินอันนั้นเข้ามาหาตัวอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของอภิช า, า, ชาเห็นแล้วปรารถนาความพินาบแห่งศัตว์นั้นอันนั้นก็เป็นอารมณ์ของพยาบาทเห็นแล้วสําคัญโดยนิยตามิจฉาทิฏฐินะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิ อนาผู้ที่มีความคิดในแนวนั้นเนี่ยนั่นเป็นอารมณ์ของเรียกว่ามนุษยธรรมยังไม่ได้เลยแต่ความเป็นมนุษยธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้อาศัยการกุศลนั้นกุศลในส่วนศีลอาศัยสองอย่างนะการสมาทานกับการงดเวน้นอัาน่าธรรมดาเนี่ยเมื่อเราเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นนเนี่ยเราปรารบสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้บ่อยไหมปรารบเท่าไหร่กุศล กุศลกรรมบทสิบอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเท่านั้นนะถ้าเราไม่หมั่นสอบสวนอย่างนี้บ่อยๆปาติโมกเราก็ชำระไม่ได้ในอารมณ์เดียวนะถ้าถ้ากุศลกรรมบทเนี่ยนะเราชำระไม่ได้อินทรีสังวรเราจะชำระต่อไม่ได้เลยนะจะต่อด้วยเรื่องของอภิชาและโทมนัดค่อนข้างยากนะถ้าหากว่าชำระอินทรีสังวรยากปัจจะยะเนี่ยนะ ก, ก็จะยากต่อไปอีกนะอาชีวะเป็นต้นก็ เท่ากับว่าถ้าชันต้นๆไม่ได้อาชีวะก็ปัจจัยให้วิบากตอไปด้วยถ้าการวิใจัยในด้านของศีนเราอ่อนจะตุปปริสูที่ศีลในอารมณ์นั้นเราไม่สามารถสงเคราะห์ได้สมถกรรมฐานก็จะยากพอสมควรเราก็จะเจริญแบบค่อนข้างลอยๆโดยที่เราไม่ไม่ลึกซึ้งในในอารมณ์เดียวนั้นว่าสามารถเป็นปัจจัยแห่งอารมณ์ใดใได้บ้าง ถึงเราจเจริญสมถะเป็นต้นก็จะรักษาอารมณ์แห่งกรรมฐานนั้นได้ยากเพราะว่ากรรมฐานนั้นที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คืออารมณปัจจัยนะอย่างเมตตาเนี่ยเราจะสําคัญผิดไปเลยเมตตานั้นไม่ใช่มีสีเป็นอารมณปัจจัยไม่ใช่เสียงเป็นอารมณปัจจัยไม่ใช่กลิ่นเป็นอารมณปัจจัยแต่เป็นนะบัญญัติเป็นอารมณปัจจัย เราจะไม่สามารถแยกแยะอารมณ์นั้นๆได้เมื่อแยกแยะอารมณ์นั้นยากกุศลธรรมก็จะเกิดยาก น, นะบางทีเนี่ยไปเรื่องอื่นซะยาวก็ยังสําคัญว่าเป็นเมตตานะยังสําคัญว่าเป็นเมตตาเพราะฉะนั้นในชั้นตรงนี้เราพยายามหมั่นสงเคราะห์กรรมบทลงไปถ้าหากว่าเราสามารถสงเคราะห์กรรมบทนะทั้งที่เป็นกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทได้มากเท่าไหร่ เราก็จะมองเห็นศีลมากเท่านั้นในทุกๆอารมณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสามารถที่จะเป็นศีลข้อไหนได้บ้างอันนี้ระดับของเราธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าหากว่าของพระภิกษุนั้นท่านจะต้องสงเคราะห์โดยสังวรโดยพระวินัยของท่านทั้งหมดเลยของเราเอากรมบทมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยท่านจะไลไ่ตั้งแต่ปาราชิกลงไปปาราชิกสังขารทิเศตทุลใจ ปาจิตติปาติเทศนิยทุกฏกทุกภาษิทมันสามารถที่จะเชื่อมไปหาวิในนั้นนั้นได้อย่างไรเสร็จแล้วต่อไปหาสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างไรในความเป็นรถเจ็ดลัดเราก็สามารถที่จะมองเห็นได้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าเห็นเธอเพึงธรมศึกษานะ เ, เพอถึงสามศึกษาว่าเห็นเพียงศักว่าเห็นนะั้นผู้นั้นก็สํารวมจิตที่เป็นไปในแนวนั้นเป็นต้นจึงจะสามารถที่จะ พ้นจากบ่วงแห่งมารได้เนะสร็จแล้วถ้าเรามีการวิเคราะห์อย่างนี้บ่อยๆนะเราสามารถที่จะเอาเรื่องของสีเป็นต้นมาสงเคราะห์โดยวิปัสสนาก็ไม่ยากนะเรียนเรื่องกุศลและอกุศลก็ก็ไม่ยากจนเกินไปอย่างเช่นเห็นแล้วเป็นกุศลกรรมบทได้อย่างไรนะคืออาศัยการเห็นเป็นปัจจัยเนี่ยนะเป็นกุศลกรรมบทได้อย่างไรเป็น กุศลกรรมบทได้อย่างไรนะมันสอบสวนพวกนี้บ่อยๆนะถ้าเรามีความเข้าใจอันนี้อย่างดีอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะกุศลธรรมนั้นมีสัมมาทิฏฐิเป็นมูลเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นปัจจัยให้กุศลธรรมอย่างอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ดีนะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อสัมมาทิฏฐิเข้าใจอันนี้ดีสัมมาสังกัปปะก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆ จะชำระกุศลศีลได้บ่อยๆนะเพราะว่าในอัตกถาเมตสูตรท่านกล่าวว่าของที่สกปรกอาศัยอาศัยน้ําเป็นต้นเน่ยนะเป็นเครื่องชําระของเราก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยศีล น, นี่แหละเป็นเครื่องชําระนะหมู่สัตว์นั้นรกชัดทั้งภายในรกชัดทั้งภายนอกเนี่ยนะคนะือกิเลสตัณหาอาศัยเกิดขึ้นได้ทั้งอารมณปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เพราะฉะนั้นอะไรเป็นเครื่องชําระสะสางปัญหาชีวิตเหล่านี้ของเราได้บางแห่งพระองค์กล่าวว่าตับะและพรหมจันทร์นั้นไม่ใช่ น, น้ำแต่ก็สามารถเป็นเครื่องชําระชะล้างความคิดเราได้นะกุศลธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องชําระความคิดของเราถ้าหากว่าเราไม่เห็นสังวรเหล่านี้เราก็จะห่างถือถ้าเราไม่เห็นสังวรเหล่านี้นะถือว่าเราไม่เห็นอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะนะถ้าหากว่าสงเคราะห์ไม่ได้เราก็เป็นปุตุชนเป็นลักษณะของอันทะปุตุชนนะในขณะนั้นๆนะเราวิจัยเป็ น, ปนอารมณ์อารมณ์นั้นๆไปเลยนะก็จะเป็นลักษณะของอันทะปุตุชนนะอันนี้ก็ปรบคุยๆกันดูนะ ก็หมายความว่าถ้าเป็นพระภิกษุก็หมายความว่ า, วาเอาเรื่องปาติโมกเข้ามามามาสุงเคราะห์ใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเราเห็นไม่จําเป็นต้องบุคคลก็ได้เห็นอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าจะรักษาจิตเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเห็นทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราก็บอกอ่าเราจะเป็นประราชิกได้ด้วยด้วยการกระทําอย่างไรจึงจะเป็นประราชิก กับวัตถุอันนี้เราจะเป็นสังฆาธิเศษได้อย่างไรเราจะเป็นปาจิตตีได้อย่างไรเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับนี่เป็นการนี่เป็นการเอาเรื่องศีลเข้ามาตึกเอามาตรึกนะคเพราะว่าเราจะได้ชาระถูกว่าอารมณ์นั้นๆนเนี่ยสามารถเป็นปัจจัยให้กุศลศีลได้หรือไม่เป็นอารมณาปัจจัยของกุศลศีลได้หรือไม่นะแล้วก็เป็นอารมณาปัจจัยของอกุศลได้อย่างไร ถ้าหากว่าอารมณ์นั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็มีเรื่องที่จะตึกได้เยอะและก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลได้มากนอกจากศีลแล้วก็หมายความว่าขั้ น, ข, นขั้นพื้นฐานที่สุดก็คือทานถูกไหมครับว่าเราจะสงเคราะห์ภาในเรื่องทานอย่างไรการตึกอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเป็นธรรมาที่ถีอคือในชั้นต้นเลยน ะ, ะที่ที่ปารบกล่าวเนี่ยนะ ก็คือให้ลักษณะว่าให้เราทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีก่อนนะส่วนที่ว่าจะตรึกหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งขอให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีพอกันนะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิจึงจะสามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลถ้าเราไม่เอากุศลธรรมเหล่านี้เราเรียนเรื่องกรรมบทมาทำไมใช่ไหมเราจะไม่เห็นคุณค่าของการศึกษากุศ ล, ลกรรมบ ท, ทั้งหมดเลยนะ แล้วทำไมอภิธรรมสังคีณีจิตุปาทการกล่าวว่ากุศลจิตเกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นไ น, นกา ม, มาวจรกุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเป็นโสมณัตเวทนาเกิดขึ้นมีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีโพธะเป็นอารมณ์มีธรรมะเป็นอารมณ์หรือว่ามีธรรมะ หรือปรารภธรรมะใดๆเกิดขึ้นในสมัยนั้นภาษะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นนะเจตนาเกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นเนะสร็จแล้วก็ศรัทธาวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะเสร็จแล้วก็ยกเจตสิกเรียกว่ากุศลธรรมเกินกว่า50บที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมากล่าวนะเสร็จแล้วในอัตถกถาท่านอธิบายลงกรรมบด ท, นะที่เป็นกุศลกรรมบทแล้วท่าน เปรียบเทียบระหว่างกุศลกับอกุศลเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นดังนันถ้าเรามีความเข้าใจพื้นฐานในกุศลกรรมบทดีเสร็จแล้วก็เชื่อมไปหาสมถะและและวิปัสสนาคือถ้าหากว่าเราสงเคราะห์สิ่งเหล่านี้ลงมาไม่ค่อยไดนะ้การฟังของเรานั้นพระไตยบิดกกับเราบางทีมันห่างกันเลือกเกินนะเราอ่านของท่านก็อ่านแล้วก็เหมือนกับอารมณ์แห่งความฝันเคลื่มๆไปได้ฝัน ว่าได้อ่านพระไตรปิฎก ค, คล้ายๆแบบนั้นเราดึงมาสงเคราะห์มาพิจารณาอ่อนถ้ามาพิจารณาอ่อนนี้แสดงว่าสตินิสีเราอ่อนมากนะสติสัมปชัญญะเราอ่อนจริงๆที่ว่าสติสัมปชัญญะอ่อนเพราะสตินี้เป็นเครื่องวินิจฉัยว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์วันสตินี้จะไปทำหน้าที่ระลึกถึงสิ่งที่ทําไว้นานแล้วคําที่พูดไว้นานแล้วนะว่าอะไร เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็จะกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปถ้าเป็นประโยชน์ก็จะเพิ่มภูมทําให้มากขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของสตินะสามารถที่จะจัดแจงหรือว่าสตินี้เป็นเหมือนกับขุนคลังที่ดูแลทรัพย์สินว่าอะไรเป็นทรัพย์อะไรไม่ใช่ทรัพย์เมื่อเราเห็นในอารมณ์นั้นๆเนี่ยนะเป็นทุจริตกรรมได้ยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นการเสียทรัพย์ เมื่อพิจารณาขึ้นกุศลธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนั้นเป็นทรัพย์ของเราอันสติจะทำหน้าที่วินิจฉัยถ้าวินิจฉัยก็ทำให้เห็นว่าเออนี้สติประฐานสนี้สัมมประธานสนี้อิทิบาท4นี้อินสีหนี้พละหนี้โพชฌงเจนี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้สมถนี้วิปัสสนานี้อริยสัจนี้โลกุตรธรรม สติจะเป็นเครื่องตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยทั้งหมดถ้าหากว่าเราสงเคราะห์หรือพิจารณาอ่อนแสดงว่าสตินซีเราอ่อนที่สตินซีเราอ่อนเพราะอะไรอ่อนเพราะวิรยิยนซีเราอ่อนนะวิริยะเราอ่อนมากแสดงว่าเราไม่เห็นภายในปรโลกมากนะักนะไม่ได้เห็นภายในโลกนี้และไม่ได้เห็นภายในปรโลกวิรยิยนซีเราอ่อน เมื่อวิริยินรียเราอ่อนแสดงว่าสัตทินรียเราอ่อนศรนะัทธาในตถาคตโพธิศรัทธานี้เราอ่อนเต็มทีเลยอรหังก็เรื่อยไปเลยอรหังสัมมาสัมพุโทโธปะขวาวเสร็จงานนี้ก็จะไปนั่นแหละ ป, ป่ากระสวดไปใจก็คิดเรื่องอื่นคละเคล้ากันไปเนะพราะเรามาเป็นอย่างนั้นมานานมนก์กระสวดไปนึกจะคุยเรื่องอื่นต่อเรียบร้อยเบ็ดเส็จหมดแล้วขนาสวดมน์นั่นแหละอระหังก็อรหังไปอย่างนั้นแหละ นันแหละเห็นว่าสัตว์ทินซีอ่อนมากหันสัตว์ทินซีอ่อนก็แสดงว่าอะไรอ่อนปัจจัยอื่นๆคือการควบสัตว์บุรุษเราอ่อนนะการควบสัตว์บุรุษอ่อนก็แสดงว่าสิ่งที่เราอยู่นั้น ท, ที่ที่เราเกี่ยวข้องอยู่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศนะไม่ใช่ปฏิรูปประเทศที่เราไม่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศแสดงว่าเราเนี่ยบุญน้อย ที่บุญน้อยแสดงว่าตั้งจิตไว้ผิดแน่นอนในชาติที่แล้วก็จะเหมือนชาตินี้ที่กําลังทําอยู่นี่แหละนะพัน้นในชีวิตในอดีตก็สามารถที่จะมองเห็นปัจจุบันแล้วก็ชีวิตปัจจุบันก็สามารถที่จะมองเห็นอนาคตถ้าหากว่ามหากุศลให้ผลนะก็จะให้ผลไม่เกินสิบหกดวงใช่ไหมถ้าอากุศลให้ผลก็ให้ผลไม่เกินเจ็ดวงแม้ในอดีตแม้ในอนาคตยุคใดสมัยใดก็จะต้องเป็นอย่างนี้ เป็นธรรมนิยามเลยเป็นธรรมนิยามว่าเพราะวิญญาณนี่มีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยก็เป็นนิยามเป็นกฎกติกาที่แน่นอนอยู่ตลอดเราต้องสามารถที่จะวิจัยกุศลธรรมเหล่านี้ให้ได้อันนี้เป็นเป็นลักษณะของซัพ์ของเราแล้วก็เป็นอริยศัพ์ของเราด้วยก็อันนี้ก็ก็เป็นความจริงที่ ผู้ที่เคยเรียนอภิธรรมมัธยสังฆาแล้วเนี่ยนะเรียนถึงกุศลนักุศลแล้วเนี่ยนะก็คงจะได้โอกาสเรียนเรื่องกรรมบทต่างๆนะกุศลกรรมบดสิทธิกุศลกรรมบทส<ช>ิรรท<ช>ิแ ต, รรแต่ก่อนนี้เราก็คิดว่าเรียนไปเพื่อที่จะเอามาเวลาเราทําอะไรผิดเคยจะเอามาเทียบสักทีนึงว่านี้มันเป็นข้ามบันถึงกรรมบดไหมนี่มันให้ผลในประวัติการหรือว่าในปฏิสิธทธิการไหมมักจะเอาไอ้จำนวน องค์ธรรมเนี่ยมาเทียบนะซึ่งมันนั้นนเลยจะเอามาตึกสักทีนใช่ไหมฮะใชะแต่ที่ท่านกล่าวนี่หมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเนี่ยนะฮะเราควรจะนํามาสงเคราะห์ในชีวิตประจําวันถ้าเราเจอยุงสักตัวหนึ่งเจอแมงแสบสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะตึกนเรื่องกรรมบดสิทธิ์เนี่ยได้อย่างไรเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเช่นเช่นยกตัวอย่างว่าเห็นแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะเป็นอารมณปัจจัย สา ม, มารถเป็นอุปนิสัยให้ทำปานาติบาได้ไหมอาศัยสตังนี้ทำให้ฆ่ากันได้ไหมแล้วของเราเนี่ยนะเคยคิดตั้งใจว่าเราจะไม่เอาทรัพย์อันนี้เนี่ยไปทำปานาติบาเลยนะสมาทานในลักษณะนั้นไหมถ้าเกิดการสมาทานในลักษณะนั้นอันนั้นเป็นกุศลศีลกุศลศีลเกิดจากการสมาทานกับกุศเวนนะวีรตีศีลเนี่ยเกิดได้เพราะปัจจัยสองอย่างคือการสมาทานกับการ นะสัมปะตะวิรัตกับสมาทานวิรัติอันถ้าเราเห็นสตังปั๊บเนี่ยโอ้สตังเนี่ยเป็นปัจจัยให้คนไปซื้อสัตว์มาฆ่าก็ได้นะเป็นปัจจัยให้ถึงกับทําปาณาติบาตฆ่ามนุษย์ก็ได้นะีอันนี้ถ้าเราตั้งใจสมาทานว่าเราจะไม่เอาทรัพย์เหล่านี้ไปเป็นอาเป็นปัจจัยให้ทําอกุศลประเภทปาณาติบาตตั้งใจสมาทานอันนั้นเป็นกุศลศีล นะซึ่งมันไม่ใช่สมาทานแบบแผ่วเบาเลื่อนลอยเฉยๆเช้ชามาก็ปาณาติปาตา ก, ก็ว่าไปแต่ก็ยังไม่เนื้อเอ๊ะมันปาณาติบาตมันเป็นยังไงนะแต่ก็การกล่าวลักษณะนั้นดีแต่ว่าไม่ค่อยมีผลนะคือเท่าที่ศึกษามาแล้วชีวิตอยู่ในไว้แวดวงของพุทธศาสนิ ก, กชนมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะเห็นว่าสมาทานปาณาติบาตสมาทานกันจริงๆเลย แต่ว่าไม่ได้มีฮิรโอตะ ป, ปะจริงๆเลยคนที่สมาทานนั้นนั้นส่วนใหญ่ที่รู้จักนะขอโทษนะอาจจะรู้จักญาติโยมทั้งหลายน้อยไปก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เรารู้จักแล้วฮิรโอตะ ป, ปะไม่ค่อยมีเมื่อฮิรโอตะ ป, ปะไม่ค่อยมีเขาสมาทานศีลก็สมาทานไปอย่างนั้นแหละนั้นเขาไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นปัจจัยแห่งการล่วงศีลผิดศีลผิดธรรมเขาจะนึกไม่ออกเลยนะว่าสตางอันนั้นเป็นปัจจัยแห่งอาทินนาทานได้ไหม ได้ดีแล้วคิดจะไปโกงไปอะไรเป็นต้นเนี่ยนะไปช่อฉนไปลักไปขโมยไปหลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์อันนั้นไหมอาศัยทรัพย์อันนั้นเป็นปัจจัยให้ทำการเมสุมิจฉาจารได้ไหมเศรษฐีบุตรหลายท่านอาศัยความที่เกิดมาพ่อแม่มีฐานะก็ไปทำปอาอกุศรประเภทการเมสุมิชฌาจารค่อนข้างมากมนะเสร็จแล้วคือมันจะต้องตามมาเมื่อสุรามา กามีก็มากามีมาปานาติบาตก็จะตามนะทิศศีลทั้งหมดเลยนะอาศัยสิ่งนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้ล่วงศีลได้สมมากมายเราสมาทานไม่ที่ว่าปารจบจไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปก่อกรรมทำชั่วเพราะเราเห็นโทษของเจตนากรรมที่ล่วงและอีกอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีข้อเปรียบเทียบมากมายมหาศาลทำให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือทาไมในในคัมภีร์ท่านกล่าวอย่างหนึ่งว่า ยกตัวอย่างในนิวรณ์บัพเพาเลยน ะ, ะเมื่อพยาปาทะเกิดขึ้นภายในจิตก็รู้ชัดนะเมื่อไม่เกิดขึ้นก็รู้ชัดถ้ามันไม่เกิดจะเกิดเพราะอะไรก็รู้ชัดพุทธพจน์จะมีอยู่เท่านี้เองนะฟังดูไม่ไม่น่ากว้างขวางอะไรมากมายแต่ปานาติบาตเอ่อไม่ใช่พยาบาทเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วมันมีอิทธิพลขนาดไหนล่วงกายกรรมได้ไหมโทสะเนี่ยนะทำให้ล่วงกายกรรมได้ไหมวจีกรรมได้ไหมเป็นมโนกรรมได้กี่อย่างนะ กายกรรมนี่ล่วงให้ทําปาณาติบาตก็ได้วจีกรรมทําให้นะพุทธสวาจาก็ได้มโนกรรมทําให้เกิดพยาบาทก็ได้โทสะอนั้นเนี่ยนะเมื่อมีอยู่ณาภายในจิตก็จะรู้อย่างนั้นแล้วในพระสูตรหลายๆแห่งว่าคนโกรธเนี่ยสามารถทําให้ล่วงอกุศลกรรมบทได้ทั้ง10บอย่างทั้ง10บเลยฆ่าสัตว์ก็ได้รับทรัพย์ก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้พูดมุสาก็ได้เดิมสุราก็ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ โทรศัพ์นั้นทําให้ถึงทำสังกเพศต่อไปก็ได้ดังนั้นการวิจัยในลักษณะนี้ต้อ ง, องค่อนข้างบ่อยสิ่งเหล่านี้เป็นการทําความเข้าใจเฉยๆว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรแล้วตั้งใจสมาทานที่จะประพฤติสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าศิกขาเพราะจะต้องศึกษานะเป็นปะละด้วยเป็นบทเนี่ยเป็นบทที่ควรเรียนรู้ควรศึกษาควรทําความเข้าใจให้ละเอียดละออนทีท้วนนะถ้าหากว่าเรา ความเข้าใจละเอียดละ อ, อีทีทุวนเหล่านี้ไม่เพียงพอกุศลจิตเราไม่สามารถที่จะเกิดสืบเนื่องได้อินทรีสังวรเป็นต้นเราจะจะไม่เห็นคุณค่าของเอ๊ะทำไมจะต้องมารักษากุศลจิตด้วยนะถ้าเราไม่มองอกกุศลหยับหยาบว่าในสิ่งหนึ่งเนี่ยสามารถล่วงกรรมบดได้กี่ข้อนะและในทุกๆสิ่งนะต้องมันตรึกมันพิจารณาในลักษณะนี้มากๆอ่าถ้ามันตรึกพวกนี้มากๆก็จะเห็นช่องทางของการปิดกั้นบาปอากุศล นนแต่ทางฆ่าประหารก็จะเกิดขึ้นทําให้เกิดการสมาทานเป็นต้นได้ง่ายก็วันนี้ก็ได้รับความเข้าใจอีกนะครับแต่ก่อนนี้เคยได้ยินว่ า, าศีลสิกขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องศีลเพราะว่าพระองค์ตัดไปมาถ้ามีาศีลสิกขาจะมาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาตอนนี้เอศีลสิกขาเนี่ยคารวาสจะเรียนจะศึกษ า, าศีลสิกขาเนี่ยอย่างไรบ้าง เพราะว่าคาว่าสิกขาในที่นี้เนี่ยนะฮะในอัตถคถาท่านขยายไปเยอะคือนอกจากจะได้ฟังได้อ่านจากหนังสื อ, อยังจะต้องมีการพิจารณามีการสังเกตมีการสมาทานมีอู้ยเยอะเลยคือพูดงอ่ายๆว่าเป็นการปฏิบัติทำอย่างไรเกี่ยวกับศีลและสิกขาเนี่ยแต่ก่อนแล้วก็คิดว่าอแค่ศึกษาแล้วรู้แล้วก็อมันน่าจะเพียงเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่า ศีลสิกขาหมายความว่าต้องเอามาตึกในชีวิตประจำวันอย่างนี้อย่างนี้เป็นความเข้าใจถูกไหมครับจารพรก็ดูนะว่าในหลายหลายสูตรเลยนะพร อ, อ ง, ง์ให้ไข ค, ครวนอย่างนี้วันละสามครั้งยกเช่นตัวอย่างเช่นราหุโลวาทสูตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนให้พระราหลเนี่ยชำระกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมในวันหนึ่งหลายครั้งเลยต้องมันชาระบ่อยๆผิดพลาดตรงไหนไหม นะส่วนไหนกายกรรมที่ไปล่วงละเมิดวจีกรรมไปพูดคาไหนหรือเปล่านะที่มันมีโทษมนโนกรรมไปทำยังไงมาแล้วก็จะบอกวิธีชำระในสิ่งนั้นๆด้วยแล้วในอนุมานสูตรอนุมานนี้ก็คือการไขครวนหรือการอนุมานก็คือการคาดคิดนั่นเองแล้วก็ให้เอาธรรมะสอย่างนี่มาตรวจชำระให้ได้วันละสามรอบนะท่านบอกว่าวันละสามรอบเลยเนย บอกเป็นภิกขุปาติโมกสูตรแต่ถ้าบอกอย่างน้อยที่สุดให้ได้วันละครั้งก็ยังดีถ้าไม่ได้เลยไม่ควรว่นงั้นไม่ควรท่านจะต้องมันตรวจตราพฤติกรรมและคําพูดของตัวเองเสมอเลยท่านกุศลศีลเนี่ยทำไมท่านจึงยกย่องเหลือเกินวันดีจริงๆนะศีลเนี่ยทำไมมันจึงดีมากมายขนาดนั้นใช่ไหมเออเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ไปฆ่าไปลักทรัพย์แล้วท่านบอกอดีแท้ศีลในพุทธศาสนานี่มันง่ายจริงๆเลยนะไม่ต้องทําอะไรสักอย่างนั่งเฉยๆก็ได้บุญละ มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเลยซึ่งมันให้ผลว่าออคนที่มีศีลเนี่ยนะปรารถนาสมบัติใดๆก็สําเร็จเป็นต้นเนี่ยนะอะย่างยกตัวอย่างจะขออ่านอั น, นิี้สงองข้อศีลให้ฟังไนหะว่าทําไมศีลเนี่ยจึงดีขนาดนั้นถ้าเราไม่วิเคราะห์ให้ดีนจะได้บุญมากแล้วก็บอกว่าการรักษาศีลห้าเนี่ยน ะ, ะการสมาทานศีขาบท5อย่างดีนี่มีอั น, นิี้สองมากกว่าการถึงพระรัตนตรัยธรรมดาด้วยซ้าไปนะเราเคยได้ยินนะในเวลามาสูตร ท, ที่กล่าวไว้ยกตัวอย่างเช่นว่าพระองค์ตรัสถึงศีลกถาในลําดับต่อจา ก, ากฐานลกถาคืออนุปุพพิกขานะยกตัวอย่างเช่นว่าธรรมดาศีนั้นเป็นมูลแห่งสมบัติในโลกนี้และโลกหน้าเป็นรากเง้าแห่งความถึงพร้อมนะสมบัตินี้แปลว่าความถึงพร้อมแต่ชื่อสมบัติของอาตมาจริงๆไม่ได้แปลว่าถึงพร้อมน ะ, ะนายทะเบียนเขาเขียนว่าบัตร แล้วก็บอกห ม, มายม้ยสะกด ร, รอเรือกรันต่นะนะสมบัติใบบัตรแบบบัตรประชาชนน่ะมันก็เลยยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเลยเบัตรย่างอองั้นเลยแต่ว่ามาเขียนตอนหลังก็เขียนอย่างงี้แต่ว่าในบัตรบัตรประชาชนเนี่จะเป็นลักษณะนะเขาบอกว่าทิศศาสดีก็บอกว่าควรจะไปทําให้มันถูกต้องแล้วให้มันมีความหมายทุกอย่างแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่มีความหมายอะไรทุงอย่าง่แะตสมบัติที่ถูกต้องเนี่แปลว่าความเทียงพร้อมแต่ของมาก็คือมีบัตรอ่ะ เนี่ยมีบัตรศีนเนี่ยนะเป็นต้นเหตุสำคัญของสุขทั้งหลายผู้มีศีนย่อมไปไตรทิพสวรรค์ด้วยศีลไตรทิพก็คือสวรรค์ชั้นดาวดวงห์งศีนเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องเลนเป็นเครื่องนำหน้าของผู้เข้าถึงสังสารวัตรอย่งนั้นก็ที่พึ่งพาอาศัยของชนทั้งหลายในโลกนี้ หรือในโลกหน้าอย่างอื่นที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ไหนศีลเป็นที่ตั้งสำคัญของคุณทั้งหลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งที่อยู่กับที่และสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ฉะนั้นศีลนเะ น, นี่ยเป็นเหมือนแผ่นดินใช่ไเป็นที่อาศัยของทุกสิ่งทุกอย่างเลยพวกเราที่อยู่ทุกวันก็อาศัยแผ่นดินในปฏิสัมพิธา์ ม, มากักกล่าวว่าศีล น, นั้นเป็นพื้นฐานของการเจริญโพ์ชงเจริญอริยมรตมีองค์8 เขาว่าศีลเท่านั้นเป็นกรรมดีศีลยอดเยี่ยมในโลกผู้ประพฤติชอบในธรรมจริยาของพระอริยะท่านเรียกว่าผู้มีศีลความประพฤติในในธรรมะของพระอริยะเรียกว่าคนมีศีลเครื่องประดับเสมอด้วยเครื่องประดับคือศีลไม่มีกลิ่นเสมอด้วยกลิ่นศีลไม่มีเครื่องชําระมณทินคือกิเลสเสมอด้วยศีลไม่มี ถ้าความเข้าใจในเรื่องศีลไม่ดีมันจะชำระ ก, กิเลส ข, ข้อไหนได้ใช่ไหมเครื่องระงับความเร่าร้อนเสมอด้วยศีลไม่มีเครื่องให้เกิดเกียรติเสมอด้วยศีลไม่มีบันไดขึ้นสู่สวรรค์เสมอด้วยศีลไม่มีประตูนในการเข้าไปยังนครคือพระนิพพานเสมอด้วยศีลไม่มีเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าพระราชาทั้งหลายทรงประดับด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณี ยังงามไม่เหมือนนักพรตทั้งหลายผู้ประดับด้วยเครื่องประดับคือศีนย่อมสง่างา ม, ามเป่นที่หอมไปทั้งตามลมทั้งทวนลมที่เสมอด้วยกลิ่นคือศีนจักมีแต่ไหนเล่าลิ่นดอกไม้ไม่หอมทวนลมหรือลิลนจันทร์กฤิศาสนามะลิก็ไม่หอมทวนลมส่วนลิลนของสัตว์บุรุษย่อมหอมทวนลมสัตว์บุรุษย่อมหอมไปทุกทิศ กลิ่นคือศีลเป็นยอดของคันธชาติเหล่านี้คือจันกริษณาอวบนและมะลินะยอดกว่าพวกดอกไม้หอมทั้งหลายมหาาทีคือคงคายมุนาสรภพูสระวดีนินนคาอจิรวดีมหีไม่สามารถชำระมนทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แต่น้าคือศีลชำระมนทินของสัตว์ทั้งหลายได้ อริยศีล น, นี้ที่รักษาดีแล้วเยือกเย็นอย่างยิ่งระงับความเร่าร้อนอันใดไ ด, ได้ส่วนจันเหลืองสร้อยคอแก้วมณีและช่อรัศมีจันระงับความเร่าร้อนไม่ได้ศีลของผู้มีศีลย่อมกำจัดภยัยมีการติเตียนตนเองเป็นต้นได้ทุกเมื่อและให้เกิดเกียรติและความร่าเริงทุกเมื่อ สิ่งอื่นซึ่งเป็นบันไดขึ้นสู่สวรรค์ที่เสมอด้วยศีลจะมีแต่ไหนก็หรือว่าศีลเป็นประตูเข้าไปยังนครคือพระนิพพานท่านทั้งหลายจงรู้อ น, นิสงส์อันยอดเยี่ยมของศีลซึ่งเป็นมูลแห่งคุณทั้งหลายกําจัดกําลังแห่งโทษทั้งหลายดังกล่าวมาชะนี้ น, นี่คือเกื้อนิสงส์ของศีลที่ที่ทรงรวบรวมที่ท่านรวบรวมไว้คร่าวๆนะซึ่ง ในรายแห่งท่านกล่าวความสำคัญของศีลไว้มากอย่างในอากังเคยสูตรนะมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาตกล่าวถึงว่าภพกษุผู้ปรารถนาใดๆสิ่งใดๆก็ตาม น, นะให้ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลเห็นเห็นโทษในภัยมาฏว่าเล็กน้อยสมธ า, านศึกษาอยู่ในศิขาบททั้งหลายัน้นในศิขาบทเหล่านั้นหรือว่าในกุศนลนั้นถ้าหากว่าความเข้าใจอ่อนเราก็ไม่ได้รักษาด้วยยานสัมปยุต เมื่อไม่ได้รักษาด้วยยาณสัมปยุศเนี่ยนะที่เขากล่าวว่าให้ฆ่าไก่ถ้าเขาถ้าคุณไม่ฆ่าไก่เขาจะฆ่าคุณนะส่วนใหญ่ก็เ อ, อยอมยอมฆ่าไก่เป็นต้นเนี่ยนะเพราะเพราะเราจะไม่เห็นโทษเลยว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษเพราะการใคร่ครวนเราไม่ถึงพร้อมการพิจารณาไม่เพียงพ อ, อะนะถ้าหากว่าพิจารณาไม่เพียงพอใคร่ครวนไม่ดีนิริโอตาปะเป็นต้นก็จะไม่เกิดเราจะไม่เห็นโทษของบาปของอกุศลนั้นๆเลย เมื่อไม่เห็นโทษของบาปอากุศลนั้นๆนะการเจริญฌานเป็นต้นยากคนที่เจริญสมถะคนที่เจริญสมถะจริงๆคือคนที่กริรังเกียจกามนะคนที่นั้นจะรังเกียจกามทั้งหลายมากในความนึกคิดของเขาเนี่ยกามทั้งหลายก็เหมือนกับอะไรนะร่างกระดูกนะอธิกูปมากามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเหมือนกับ ชิ้นเนื้อเป็นของสาธารณะมันเยอะแย่งกันการทั้งหลายก็เหมือนกับคบเพลิงใครที่ถือเข้าไว้ก็จะไหมคนนั้นการทั้งหลายก็เหมือนกับหลุมถานเพลิงการทั้งหลายก็เหมือนกับความฝันกามทั้งหลายก็เหมือนกับของที่ยืมเข้ามาการทั้งหลายก็เหมือนกับผลไม้ก็คือเป็นที่ใครเข้าไปสมมติเราขึ้นต้นไม้เนี่ยนะเห็นผลไม้มันอยู่ข้างบนแล้วก็ขึ้นไปเก็บกินสบายบนนั้นนะ่ะคนตามมาข้างหลังเนี่ย ขึ้นไม่เป็นอนะ่ะถือขวานมาด้วยเงี้ยก็จะโค่นอนะ่ะถ้าไม่เรีบลงนะเราจะต้องเกวับตายไปพร้อมกับการกินผลไม้ตามทั้งหลายก็เหมือนกับผลไม้การทั้งหลายก็เหมือนกับของมีคมนะเหมือนกันกับที่เขาทิ่มเขาแทงเขาฟันกันการทั้งหลายก็เหมือนกับหอกเหมือนกับเหลาแล้วก็การทั้งหลายก็เหมือนกับหัวงูนะแล้วก็คิดดูว่า เพราะอการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเขาคนเนี่ยนะทำมาหากินไปทุกเจียนตายหรือว่าไปตายในที่ทํามาหากินนี่มากมายมหาศาลนะเพราะการเป็นเหตุเป็นต้นเขาทําให้คนเนี่ยนะอาบเหงื่อต่างน้ำทำมาหากินเพื่อให้มีทรัพย์สินขึ้นมาบางคนก็ทําแล้วประสบความสําเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคนที่ประสบความสําเร็จก็ต้องมาเป็นทุกข์เป็นใหญ่ในการดูแลรักษาการเหล่านั้นอีก เสร็จแล้วอาศัยการเป็นเหตุก็ทําให้เกิดการทะเลาะแก่งแย่งพ่อแม่พี่น้องก็ทะเลาะแก่งแย่งกันแย่งทรัพย์สินมรดกแล้วก็อาศัยการเหล่านั้นอีกนั่นแหละเป็นปัจจัยให้พระราชาเป็นต้นทะเลาะวิวาททําให้เกิดศึกสงครามศึกสงครามส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการแก่งแย่งในเรื่องการนะแม้แต่ว่าสงครามาศาสนาก็ตามเถอะก็คือแย่งกามอีกนั่นแหละนะถึงสงครามาศาสนาก็สงครามแย่งกามนั่นเอง แย่งแย่งศาสนิกแย่งคนนับถือแย่งอะไรก็คือวัตถุกรรมนั่นแหละแล้วก็อาศัยกรรมนั่นแหละทําให้คนถึงกับก่อกรรมทําชั่วทางกายทางวาจาและทางทางใจเพราะคนที่จะเข้าฌานได้นั้นเขาสงัดจากการมวิวิจจากกรรมเหิวิวิจาาววจอกาุสเลหิธรรมเมหิษนะสงัดจากการมสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปัถมฌานนะอันประกอบด้วยสุขวิอันวิเวกนะ ประกอบด้วยกุศลปฐมฌานที่วิเวกสุขนะ <Okay. S 1> ประกอบด้วยสุขและวิเวกเนี่ยนั้นปฐมฌานส่วนหญ่าติก็เลยบอกว่ามีองค์ท่ากันแต่ท่านในคัมภีร์ท่านในพระดายบิดกท่านบอกเลยว่าสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานอย่างเงี้ยท่านจะบอกในลักษณะนี้เลยนั้นการเจริญเมตตาเป็นต้นเพื่อให้ได้ฌานเป็นต้นนั้นอะ่ะคนเหล่านั้นจะต้องเห็นโทษของของกลางอันนี้คือคือถ้าหากว่าในลักษณะเป็น จเจริญกุศลธรรมเพื่อพรหมโลกแต่ถ้าหากว่าจเจริญกุศลธรรมในลักษณะเพื่อเทวโลกคนนั้นจะต้องเห็นโทษของการล่วงอกุศลกรรมบทตรเมื่อเป็นคนที่เห็นโทษของการล่วงอกุศลกรรมบทจึงสมาทานในการประพฤติกุศลกรรมบทอย่างเต็มที่นะอย่างการจเจริญศึกษาเรื่องเมตานี่นะก็ยังอยู่ในประเภทกุศลกรรมบทตรไหมอยู่ไหมข้อไหนอัพญญาปาทะ กรรมบดเนีเป็นมโนกรรมนะ <Yeah. S 1> การเจริญเมตตาก็คือยังอยู่ในมนุษยธรรมถ้ายังเป็นกุศลทั่วไปถ้าไม่ได้ชาญนะก็ยังเป็นมนุษยธรรมอยู่ <Yeah. S 1> ถ้าหนักแน่นไปด้วยฮิริโอตปะปาคก็เป็นเทวธรรมไปด้วยนะ <Yeah. S 1> มัน ก, ก, ก็ต้องพยายามทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากถ้าเราเข้าใจอ่อนเราไม่สามารถที่จะไปรักษาได้รับรองฟังจบอ่านจบกลับไปก็ บางทีก็ไม่ได้ดีเปลี่ยนแปลงอะไรไ ม, ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะชีวิตของเราบางคนก็ศึกษาธรรมะก็ไม่ได้มีหิเรโอตาปะอะไรมีบางท่านมาเล่าให้ฟังถึงคนที่ฟังธรรมะมาหลายๆปีสังวรสังระวังไม่มีซากอย่างเดียวนะบางคนก็ถึงกับผิดกาเมสุไม่ฉาจานก็มีมุสาวาตก็เก่งบางคนก็หันไปกินเหล้านะทำไมทิศทั้งหลายทิศที่ศึกเนี่ยนะแถวบ้านอตาตมานเนี่ย ตอนหลังเขาไม่ค่อยนับถือนัก บ, บวชเท่าไรเพราะว่าโอ้โหคนที่บว ช, บวชก่อนๆเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ไว้เยอะนะแเปลี่ยนภาพพับเมากลับบ้านทันทีเลยะเนะสร้างประวัติไว้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นชาวบ้านเห็นพระก็เหมือนกับเห็นคนทั่วไปไม่ได้มีความคารวะไม่เกิดสักอย่างเลย เ, เห็นยังมากก็ยกมือไหว้สักหน่อยเออมาแล้วเลยแค่แนี้นั่นแหละก็คือมัน เสื่อมโทรมขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ากุสโสลศีนคืออะไรนะเพราะพอบวชเข้ามาก็เลยไม่ได้แตกต่างอะไรจากความเป็นค า, ารวาสสิ่งที่ทำคำที่พูดก็ น, นิสัยเดิมมาอย่างไรพอบวชเข้ามาก็เป็นในลักษณะนั้นนั้นแสดงว่าเรื่องสีลเป็นต้นเราก็เข้าใจผิดพลาดกันมากได้แต่หัวข้อนะวาจาก็กล่าวไปก็เป็นการรักษาศีลแบบที่เขาเขาพูดตาหนิ น, นะ รักษาแบบนกนกทองกล่าวแต่วาจาจนถึงกับกระตูนนี่นะมาเขียนล้อเรียนและวที่ทั้งหลายที่ศึกศึกไปเนี่ยนะตั้งวงกินเหล้ากันในชะ่ไหมยกขวดเหล้ามากินเ อ, อ้อสัพเทธรรมานตาเขาว่าไงเมาอยู่นัน่นแหละแต่ว่าอนัตตาเขาคิดดูว่ามันเสื่อมไปขนาดนั้นแล้วเนื้อหาสาระแก่นแท้จะไม่เข้าถึงพันถ้าเราทั้งหลายนะศึกษาแล้วเราไม่สามารถวิจัยสิ่งเหล่านี้ได้ พอมามองเห็นแล้วออคำสอนนี่เสื่อมจริงๆนะเมื่อก่อนนี้ความรู้สึกว่าคําสอนไม่น่าจะเสื่อมเร็วขนาดนี้แต่พอมาวิจัยในลักษณะนี้แล้วมากๆเราเห็นว่าอเสื่อมจริงๆนะเรานี่เสื่อมมานานแล้วเพิ่งมารู้ <c oughs> จริงๆเสื่อมจากเราเมื่อแต่เกิดนั่นแหละเพิ่งมารู้ว่าเออเป็นอย่างนี้นี่ก็ค่อยๆมาตรึกมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นความแตกต่างเลย้ออนั่งอยู่อย่างนี้ศีลเป็นยังไงใช่ไหม บอกโอปฏิบัติธรรมนี่ดีนะมกตา บ, บะและพรหมจันทร์ไม่ใช่น้ําแต่ก็เป็นเครื่องชําระก็นั่งอยู่อย่างนี้แล้วมันมันจะนิพพานได้อย่างไรใช่ไหมนิพพานคืออะไรแล้วนิพพานได้อย่างไรนะเป็นสิกขาสามได้ยังไงเป็นอธิศรรีและสิกขาได้ยังไงอธิจรริตตสิกขาได้ยังไงถามไม่รู้สักอย่างสวรรค์มิมานกค็คิดขึ้นในความคิดซะส่วนใหญ่นะสวรรค์คงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจินตนาการเอาเองบุญที่ทำไว้ก็การทําบุญในยุคหลังๆก็เหมือนกับการซื้อสวรรค์ นะคนไม่ได้ทําบุญเพื่อให้กุศลจิตเกิดขึ้นมากมายนะแต่ทําบุญในเชิงซื้อสวรรค์นะคาดว่าเอาเงินไปเปาะเท่านั้นก็คงจะได้สวรรค์ชั้นนี้นะก็มองเป็นเหมือนกับการค้าขายเขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล จ, จริงๆนะพอไปทําบุญแล้วไม่แปะเชื่อเป็นต้นก็หู้ยทุกร้อนจริงๆเลยนะทำไม่แปะเชื่อไว้หน้าน้ำซะหน่อยอย่างเงี้ยนะเกิดร้อนจริงๆเลยเพราะว่าไม่เข้าใจว่าบุญเนี่ยมันขนาดไหน เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเข้าใจอ่อนปั๊บสิ่งที่ทําคําที่พูดก็ตรงกันข้ามพ่จะมาทําบุญก็มาทําบาปบวชเข้ามาจะมารักษาศีลก็มาเจริญโทสะนะโทสะมากกว่าเก่าเครียดมากกว่าเก่าหงุดหงิดมากกว่าเก่ากุศลธรรมก็ไม่ค่อยเกิดเมื่อกุศลธรรมไม่ค่อยเกิดขึ้นไปที่ไหนก็บทบาทในสถานะศาสนกพุทธศาศาสนาไห น, น, นเป็นพุทธศาสนิ ก, กชนไปที่ไหนก็ใน ไปในหน้าตาของพระพุทธศาสนาแต่ในโลกของความคิดไม่ใช่สักอย่างตรงกันข้ามเลยนะในพระสูตรบอกว่าจงกำจัดสมณะแกลบสมณะอยากเยื่อสมณะเน่าในออกไปนะพระพุทธพธลักษณะนีมีบ่อยคือในกลุ่มที่สูตรที่เป็นไปกับป่าปอคุศลถึงเราจะเห็นว่าพระอริยะเนี่ยคำว่าอริยะอย่างหนึ่งก็คือห่างไกลาจากปุชนอ่างนั้นแตทีนี้ เราก็มาตรึกดูไอ้ท่านห่างไกลเราหรือเปล่าหนะรือว่าเราห่างไกลท่านหรือว่ายัางไงกันแนะ่ <c oughs> ก็ต้องมันมันสอบถามทบทวนในสิ่งเหล่านี้หน่อยถ้าหากว่าเราทบทวนในสิ่งเหล่านี้เป็นต้นอ่อนนะถ้าเป็นต้นอ่อนนี้พอมารู้สึกไม่ไม่ค่อยสบายใจว่าแสดงว่าเกิดการผิดพลาดแน่นอนเคยแนะนำสัมมนเนนเป็นต้นเนี่ยนะจบในด้านอภิธรรมเือนถึงกัจจุลเอก สัมมเน้นช่วยงานนี้หน่อยสิอาจารย์กุศลยังไม่เกิดก็วาว่า <c oughs> อเออใช้ได้ใช้ได้ <c oughs> <c oughs> ผิดพลาดร้ายแรงมาก <c oughs> สมมเน้นช่วยเออทากับปียังอันนี้ให้หน่อยว่ากุศลไม่ค่อยเกิดเ้าว่างั้น <c oughs> โอ้โหใช้คําเหล่านี้มาแสดงว่ามันทำไมผิดพลาดขนาดนี้รู้หมดอะไรเป็นอะไรนะกุศลจิตมีเจตัน์ศกประกอบกี่ดวงสาสิแดวงอะไรมั่งพระสาเวธรรมนาพรวดจบเรื่องหมดนี่ทำไมมัน แต่ว่าพฤติกรรมไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงฮีเรโอต ป, ปะกลับไม่เกิดทำของสงเสียหายปับ๊บโอ้อันนี้จังมันไม่เที่ยงนะว่างกันแสดงว่าเออมันผิดพลาดเพราะอะไรแล้วก็ทำให้ต้องมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนันถ่าการศึกษาถ้าถ้าไม่ได้เป็นไปตามนั้นนี่รู้สึกว่าเราจะเป็นอลักขตูปมาปริยัตเยิเฉพาะตัวของตัมมาเ อ, เองนึกนะเอ้เราจะเป็นอารักขตูปมาปริยัติหรือเปล่าเนี่ย นะพยายามถามตัวเองบ่อยๆเพราะอ่านอลลคัตถูปมสูตรนะในภิกษุสัจภิกษุอริฐนะในโอปัมมวัคนี่แหละมนะันพระสูตรเหล่านี้เนี่ยไปๆมาๆก็จะเข้าเราหมดแล้วยังจำคำของบางท่านพูดกับเราเสมอว่าทําสมบัติท่านแน่ใจนะว่าท่านเผยแพร่ปังนั้นที่ทำไมถามเราอย่างนี้ไม ท, ท่านแน่ใจนะก็ถามอย่างนี้บ่อยเออ แล้วกต็ต้องทบทวนอ่ะนะนะแล้วก็มีบางท่านบอกอยพูดด้วยความฟุ้งซ่านเขาว่าทําไมเขาก็คุยกับเราอย่างนั้นนะเราไม่ได้นึกตําหนิอะไรเขาหรอกแต่เราจะมาทบทวนพฤติกรรมของเราว่ามันจะเป็นไปในลักษณะนั้นไหมถ้าเราไม่มีคําพูดเหล่านั้นเราก็คงจะเป็นลักษณะนั้นจริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยเขาเป็นลักษณะนั้นด้วยเราต้องหมั่นมาทบทวนจริงๆว่าเราศึกษาแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างจบเมื่อไหร่จบยังไง นนะเพราะว่าในในส่วนตัวไม่ได้ศึกษาในแนวในด้านด้านมีการจบเป็นลําดับชั้นเป็นต้นเรียนเองสอบเองเออเองนะถ้าดูมันขัดกระสูตรงไหนก็เอาใหม่ตั้งใจใหม่ก็ลักษณะนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อเพราะว่าเราต้องกําหนดทิศทางของเราเองว่าเราศึกษาคําสอนเพื่ออะไรจบเมื่ อ, อไหร่จบยังไงและ ว, วิชาที่เราเรียนเนี่ยเพื่ออะไรเป็นต้นอั้นถ้าหากว่าเรามองเห็นของทั่วไปนะถ้าไม่ปารบกรบมาบทเป็น ได้เราก็ไม่ได้ฉลาดกว่าเดิมเลยนะียนึกนึ ก, นกแรกๆกสมัยที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้ามองอะไรเป็นลงตัมมาบทไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะนะได้อารามานะปัจจัยปฏิฆานิมิตก็เกิดนะปฏิฆานิมิตก็แสดงว่าชวัเนเป็นโทสะถ้าได้สุภานิมิตโลภะก็เกิดนะก็ถือว่าเป็นคนที่เมื่อเช้ายมพุการอ่านถึง พสูตรที่ทําให้พระเทระน่าเคารพและไม่น่าเคารพมีอยู่กล่าวว่าพระเทระผู้กําหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดนะขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเป็นต้น น, นะพระเทระเหล่านี้ไม่น่าเคารพแล้วก็คิดดูไอ้ในอารมณ์นั้นๆมันจะเป็นในลักษณะใดนะถ้าโลภะเกิดขึ้นสามารถล่วงกร้ำได้ขนาดไหน นะโทสะเกิดขึ้นล่วงกรรมได้ขนาดไหนโมหะเกิดขึ้นล่วงกรรมได้ขนาดไหนถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ให้ละเอียดนี่นะเราเราจะไม่รู้จะเอามาปฏิบัติอย่างไรเลยแล้วก็การปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็พูดเรื่องกุศลไปพูดเรื่องกุศลด้วยจิตที่เป็นมานะได้ไหมได้นะพูดเรื่องกุศลในลักษณะว่าแกไม่รู้ฉันรู้ฉันรู้มากกว่าแกแกพูดผิดแกถอนนะฉันเนี่ยพูดถูกอันวาจาก็จะเป็นเหมือนกับหอกทิ่มแทงซึ่งกันและกัน จิตของคนลักษณะนั้นก็ห่างไกลาจากสมถะและวิปัสนาเป็นต้นิเโอตปะมเมื่อฮิเรโอตะปะไม่เกิดเนี่ยนะกุศลธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนาก็ก็หายไปแล้วห่างจากพระพุทธเจ้าตั้งมากมายมหาสารก็ยังไม่ทันรู้ตัวอีกนั่นแหละจริงเรามองคํามเรื่องเรื่องสิกขาต้นๆไปนะครับเรามักจะไปพอใจกับว่า ไปเรียนโน่นนะครับจิตตะศิขาปัญญาศิขาแต่ว่าศีลศิขานี่เรามองข้ามมองข้ามจริงๆครับวันนี้เพิ่งมีความเข้าใจนะท่านได้มาสงเคราะห์ผมทำให้ผมเห็นประโยชน์นะครับคือหนึ่งเรื่องการตรึกนะฮะเนื่องการตรึกมีความสำคัญมากถ้าขาดความตรึกศีลศิกขาเป็นไปไม่ได้ศีลศิกขาอ๋อเขาศึกษากันอย่างนี้ นะสมมุติว่าถ้าหากว่าเราสงเคราะห์ลงไปในกรรมบทนะเช่นข้อวจีทุจริตนะครับตั้งแต่ <c oughs> พารุษวัจาลงไปเรื่อยไปนะถึงปิสุณวาจาเนี่ยถ้าเราหมั่นตึกตึกบ่อยๆว่ามันเป็นกรรมบทตรยังไงนี่นะครับถ้าเราตรึกได้คล่องตึกได้บ่อยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยล่วงกรรมบทนี่ยากขึ้นหน่อยนะถ้าเรายิ่งตึกมาก เราก็ร่วงยาก ย, ยกตัวอย่างเช่นในมหาสุญญ า, าสูตรกล่าวถึงมีสัมปชัญญะในการกล่าวนะสัมปชัญญะในการพูดคุยอ่าสัมปชัญญะเกิดการพูดคุยว่าเราจะไม่กล่าวคาถาเห็นตาหนี้ซึ่งะนะเป็นคาถาคำพูดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลว์นะเป็นคําพูดที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อเบื่อหนายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกําหนัด ไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ได้เป็นไปเพื่อ น, นิพานคือเรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นเรื่องพระราชาเรื่องพระกษัตริย์เรื่องรบเรื่องศึกชิงนางสีดาเป็นต้นเนี่ยนะฉะนั้นคําพูดเหล่านี้เบื้องต้นไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพิทามไม่ได้เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สักอย่างเลยแล้วที่สุดก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพานด้วยแล้วพระองค์ก็กล่าวว่าเราจะกล่าวกระถาเห็นตานี้คือนะ คาถาแรกก็คืออภิจากขาคาถาว่าด้วยกะมักน้อยนะสันโดษมักน้อยเนี่ยนะมักน้อยกี่อย่างเป็นต้นเนี่ยนะมักน้อยตั้งแต่ในการแสวงหาเป็นต้นอ่ะมักน้อยเนี่ยไม่ใช่ไม่หานะหาเหมือนกันแต่ไม่ได้หาด้วยบาปไม่ได้ไม่ได้หาด้วยจิตเป็นบาปสันโดษนะสันโดษสิสันโดษยีเป็นต้นเนี่ยนะคาถาว่าด้วยการสันโดษคาถาว่าด้วยวิเวกสามกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวก กะถาว่าด้วยการไม่คลุกคลีนะสวัณัสเรียกว่าสังสักะคลุกคลีทางการเห็นทางการได้ยินทางการเกี่ยวข้องจัดต้องเป็นต้นแลนะแล้วก็วิริยมพกถากะถาว่าด้วยการปรารบความเพียรในการกำจัดบาปกาจัดอกุศลแ ล, และก็ศีลกถาสมาธิกถาปัญญกถาวิมุตติกถาและวิมุตติยานัทสนกถา เราจะกล่าวกระถาเห็นปานนี้กระถาเห็นปานนี้เป็นไปเพื่อนิพานโดยส่วนเอ้ยนิพิทาโดยส่วนเดียวกระถาเหล่านี้เป็นไปเพื่อความขัดเกลาเป็นอย่างยิ่งกระถาเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพานอย่างนี้ชื่อว่ามีสัมปชัญญะในการกล่าวในการพูดคุยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะในสิ่งเหล่านี้เราต้องแม้แต่เรื่องที่จะพูดต้องกําหนด เรื่องให้ชัดเจนก่อนใช่ไหมเพิ่งทําสัมปชัญญะในขณะพูดใ น, ในสัมปชัญญะบัพเพในในสติปัฏฐานแล้วก็คุณธรรมเหล่านี้ก็ยังอยู่ในประเภทศีลแต่ว่าทําสัมปชัญญะในขณะพูดนี่นะถ้าสติปัฏฐานหมายถึงอสัมโมหสัมปชัญญะข้อเดียวแต่ว่าพูดยังไงเป็นศีละเศขาพูดอย่างไรเป็นายกับจิตตเศขาอันะก็ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมาวิจัยสิ่งเหล่านี้เป็นเศขาเนะี่ย เป็นสิกขาเพราะเป็นการศึกษาแล้วพระองค์บอกว่าการตั้งอยู่ในอรหัตผลนั้นมีสิกขาโดยลําดับมีกิริยาโดยลําดับและมีปฏิปทาโดยลําดับไม่ไม่โกรกชันเหมือนเหวขดัดนะพุทธศาสาศนาจะเป็นลักษณะนั้นจะมีลําดับนะในในคณากรโมคลานสูตรเนี่ยกล่าวไว้ชัดเจนเลยนะว่าว่าต้องเป็นไปตามลําดับนะแล้วรบทเจ็ดผลในรัฐวินีตสูตรก็จะกล่าวไว้ตามลําดับเหมือนกัน พ้สิ่งเหล่านี้ถ้ า, าเสียลําดับลัดขั้นตอนเป็นต้นแล้วศีลสิกขาคิดดูนะว่าทําไมพระผู้มีพระภาคมีความเพียรพยายามอุตสาหะอย่างยิ่งใหญ่กล่าวพระวินัยปิเดกเนี่ยนะสองหมพันพระธรรมมขันสองนหนึ่งพันพระธรรมมขันนะโดยธรรมมาขันเท่ากับพระสูตรจํานวนเล่มน้อยกว่าแต่โดยธรรมมาขันเนี่ยเท่ากับพระสูตร ทำไมพระ อ, องค์จึงต้องพยายามตัดขนาดนั้นนะซึ่งมีความพยายามอันยิ่งใหญ่แต่มีภิกษุอริธะบอกว่าการสัมผัสเครื่องลาดนิ่มๆเนี่ย น, น, นะกับสัมผัสหญิงไม่ต่างกันคำพูดนี้คือคำพูดที่ทำลายศาสนามากแล้วพระ อ, องค์เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะนะีทำลายชินจักรแล้วก็ถึงกับเอ า, เอาอละคัตูปมะปมะม า, ะม า, มาอุปมาเปรียบเทียบเนี่ยนะเขาถ้าาเนี่ย ศึกษาธรรมะไม่ดีสัมผัสเครื่องลาดกับสัมผัสหญิงมันไม่ต่างกันก็เลยนึกไปเลยว่าก็นางวิสาขาเนี่ยก็ยังเป็นพระโสดาบันใช่ไหมกิติศัพด์มีลูกยี่สิบมีหลานอีกลูกหนึ่งคนไปมีอีกยี่สิบอย่างเงี้ยก็คืออาศัยอโยนิโสมนสิการว่าเอ๊คารวาตเขาก็ยังบรรลุธรรม ก, กนันนะเขาก็ยังคลุกคลีห ม, มกมุ่นอยู่กับกามาคุณทั้งข้าท่านประราชิกเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายนะัก ดังคาพูดเหล่านี้เนี่ยพระองค์ได้เกิดการประชุมใหญ่แล้วพระองค์ตรัสว่าอาริ tha เนี่ยจะยังไงก็ไม่งอกเงยในาศาสนาของพระองค์ว่า ง, งั้นเถอะอย่างไรายเสียก็ไม่งอกเงยในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันคิดดูว่าในในสิ่งเหล่านั้นพระองค์ให้ความสําคัญค่อนข้างมากในในเรื่องอาธิศีลสิกขาเพราะว่าปุตุชนนั้นไม่มีวินัยเลยในความเป็นปุตุชนนั้นไม่มีสังวรวินัยและไม่มีปหานวินยัยถ้าสังวรวินัยเป็นต้นเนี่ยนะ สีลสังวรเป็นต้นถ้าเราไม่สามารถสงเคราะห์มาปรารภเอามาใช้ในปฏิบัติเราก็เป็นอันทะปุตุชนอันทะแปลว่าบอดปุตุแปลว่าหนาคนที่บอดหนาไปด้วยอำนาจโลภโทสะแล้วก็ยังหันหน้าห า, าศาสดาอื่นๆไปเรื่อยหาครูอาจารย์ไปเรื่อยนะคนนี้เออดีคนนั้นต็ดีคนนั้นต็ดนนแจวเออใช้ได้ อ, อก็ไปเรื่อยนะ แต่ว่าจิตใจที่ฝากฝังไว้กับพระตนตรายนี้อ่อนต่างจากพระอริยาสาวกอริยาสาวกนั้นมีศาสดาอยู่องค์เดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เหลือเรียกว่าสัพพมจารีผู้ร่วมประพฤติทธรรมในศาสนาของพระศาสดาเทา้าสกกะกับพระมหาโมคคลานะคือผู้ร่วมพรหมจรรย์นในศาสนาเดียวกันแต่ทั้งพระโมคคลานะและเท้าสักกะก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ ดั้นเราจะรู้ว่าครูอาจารย์เป็นต้นในฐานะผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้แต่ไม่ใช่สารณะของเราแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาไม่ดีเราก็จะห่างจากพระตัตนตรตยเป็นต้นที่เป็นสารณะอันประเสริฐสารณะอันสูงสุดของเราเรายินดีที่จะศึกษาประวัติของคนบางคนมากกว่าอ่านพุทธประวัติเชื่อไหมไเรายินดีที่ว่าคนนั้นเขาพูดยังไงกับพระพุทธพจะพเนี่ยนะเราจะบอกคนนั้นพูดอย่างไร พุทธพจน์เอาไว้ก่อนนะนะมันมีความแตกต่างมากว่า เ, ออเราห่างพระรัตนตรายจริงๆนะของอรามาเนี่แหละไม่ต้องคลายหรอกเป็นอย่างนั้นมานานจริงๆเลยว่าเพิ่งมาสานึกตอนลังๆโอ้เรามีสาระและวนะเอาปริยัตินี่แหละเป็นสาระก่อนอันดับแรกอะ่ะนะเพราะว่าทําไมทำมังสารณังก็ฉามินะจําให้แม่นเลยมีสี่คำเท่านั้นเองปริยัติอริยมรรยผลและนิพพานคือสาระของเรา แล้ววิธีสึงสารณะมีสี่วิธีหนึ่งมอบกายถวายชีวิตสองมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสามนะถึงความเป็นสิทธิ์แล้วก็สุดท้ายนอบน้อมท่านอย่างยิ่งนนะข้อต้นเลยมอบกายถวายชีวิตใช่ไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยนะเป็นธาตุของบระธรรมถึงกับว่าในในบทสวดสวดบนเย็นเนี่ยนะนะ ธรรมัสหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมซามิกิสโรน ะ, ะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมทาสทำเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้านะคำกล่าวเรากล่าวแบบนั้นกันนะที่ที่สวดมนต์เนี่ยมาสวดมาราธิอ่าแล้วเราเนี่ยขอถึงกับว่านัตทิเมสรนังอันอย่างนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระทำเป็นสรณ ะ, ะของข้าพเจ้านะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะ แล้วก็ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมนะจนถึงคํากล่าวเหล่านั้นเป็นต้นทีนี้ว่าพระธรรมคืออะไรพระธรรมมีสี่ปริยัติอริยมรรยผลและนิพพานใช่ไหมเราขอมอบกายถวายชีวิตท่านนี่เรียกว่าอัตตะสันนิยาตนะมอบกายถวายชีวิตข้อสองก็คือมีท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความคิดของเราเนี่ยนะว่าพระธรรมว่ายังไงเนี่ยนะในสิ่งนั้นนั้นเนี่ยพระธรรมกล่าวอย่างไร น้อยมากนะน้อยจริงๆอ่าแล้วพระธรรมกล่าวยังไงเกาว่ามีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าเป็นพระภิกษุษสมัยพุทธกาลเวลาไปบิณฑบาตเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอัญญะเดรธีปริภาชกกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็รับฟังรับฟังเสร็จก็เอาไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังพระองค์ตรัสอย่างไรก็ทรงจําในลักษณะนั้นนั่นแหละเขาเขามีสารณะเขาเขามอบกายถวายชีวิตแด่ พระรัตนตรัยจริงๆแล้วข้อต่อไปก็คืออะไรนะอขอถึงเป็นสิทธิท่านใช่ไหมขอเป็นสิทธิท่านถ้าหากว่าสิทธิที่ดีเขาทาอย่างไรกันนั่นแหละคือความเป็นสิทธิในสิทธิของพระรัตนตรยัยแล้วก็ข้อสุดท้ายนอบน้อมท่านอย่างยิ่งเวลาเราสวดมนต์เราก็ยังสวดใช่ไหมสวากขาโตัพระคาวาตาทำมอเนยยกมาข้อเดียวนะ สวากาโตพระวาตาธรมรมมังนัมัสสามีนัมัสสามีก็คือนมะแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระธรรมนะขอนอบน้อมแด่พระธรรมหรือว่าถ้าเป็นอรหกยักเป็นต้นเนี่ยข้าพระเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านออกจากเมืองสู่เมืองนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้านมัสการความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์จะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อทํากิจเหล่านี้นะเพราะัน ในพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ถ้าสารณะเป็นต้นเราอ่อนความเจริญในงอกงามอาทิศีและสิกขาเป็นต้นเราจะไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าการเจริญในาศาสนาเป็นต้นเนี่ยนะโสดาปฏิยังค้าธรรมเนี่ยนะศรัท ธ, ธาเนี่ยอยู่ที่เพิ่งเห็นได้ที่โสดาปฏิยั่งค้าธรรมเป็นต้นอันท่าไม่มั่นคงในสิ่งเหล่านี้ก็ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะว่าศาตรูทั้งหลายนั้นเสื่อมจากสารณะแล้ว เวลาก็ใกล้หมดแล้วครับวันนี้ไม่ทราบว่าท่านได้รับประโยชน์กันไหนผมว่าผมเองผมเข้าใจธรรมะมากขึ้นวันนี้นะโดยเฉพาะเรื่องศีลสิกขาแล้วก็มาเข้าใจว่าธรรมะนั้นสอดคล้องกันนะถ้าหากว่าท่านสามารถที่จะตรึกในเรื่องกรรมบทนะเป็นการเป็นเรื่องของศีลสิกขาเนะี่ยถ้าท่านตึกได้มากนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับ เรื่องพุทธานุสติที่ท่านเจริญนี่น ะ, ะนะโดยเฉพาะข้าโดยเฉพาะข้อที่พระองค์ตัสบอกว่ า, าจารณสัมปโนโนจารณสัมปโนโนเนี่ยน ะ, ะใครครับที่มีศีลบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดเลยนะไมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะครับเราะะฉนั้นการตรึกถึงเรื่องถ้าเราเข้าใจในเรื่องศีลอย่างนี้นี่ยนะฮะการตรึกพระพุทธธรรมข้อนี้นะพุทธคุณข้อนี้เนี่ย ก็จะตึกได้อีกมากมายมหาศาลที่เดียวถูกฮะเราเห็นว่าพุทธคุณแต่ละหัวข้อแต่หัวข้อนี้เนี่ยต้องต้องการข้อมูลเพียงพอจึงจะตึกได้ถ้าเราไม่มีข้อมูลนะเราก็ตึกได้แต่ไปไม่ไกลเท่าไหร่อย่างดีก็บอกโอ้พระองค์นะทรงบัญญัติศีลดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะพระองค์เป็นตัวอย่างที่พงศ์ปฏิบัติตามศีลอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็คงจะตึกได้ไม่มากเท่าไหร่ แต่ถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเราตึกในเรื่องกรรมบวเนี่ยโอ้โหถ้าครบสิบนี่มันไม่ใช่น้อยเหมือนกันจนถาใช่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเราจะเห็นประโยชน์ได้ว่าถ้าเราตึกอย่างนั้นแล้วนี่นะครับโอกาสจะร่วงกรรมบก็ก็ยากขึ้นจนถาเพราะเราจะเริ่มเห็นว่าศีนนี่เป็นทรัพย์ของเราจริงๆเลยเริ่มเห็นว่าเป็นเป็นประโยชน์เป็นทรัพย์จริงๆเมื่อมองเห็นเป็นศีนเป็นทรัพย์ปั๊บฮริโอตปากก็จะเป็นทรัพย์ด้วย นะอริยทัพย์ข้ออื่นๆก็จะเกิดขึ้นด้วยว่าเออศีลเราที่กระพ่มกระแพ่งนี้เพราะไม่วินัยโยจะสุสิกิโตเพราะไม่ได้ศึกษาวินัยมาดีก็เลยไม่ได้มงคลข้อ น, นี้เลยมันก็จะเริ่มให้พระหูสูตรเราจำมากขึ้นทําให้เราสนใจเริ่มไตาถามเรียนรู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษมากขึ้นนะและพระหูสูตรก็จะได้นะเรยียกว่าสุดตะพอได้สุตะจากฆะก็จะมากนะแล้วปัญญาก็สามารถที่จะ ก, กำเนิงถึง เหตุผลของสิ่งเหล่านี้อย่างตลอดสายถ้าเข้าใจมากเท่าไหร่นั่นก็เป็นอริยทรัพย์มากเท่านั้นแล้นถ้าหากว่าผู้ที่มีอริยทรัพย์เหล่านี้เข้าไม่เรียกคนขัดสนางนั้นก็เมื่อศีลและสิกขาสมบูรณ์นะครับก็คงจะทำให้จิตต่สิกขานะเช่นเจริญพุทธคุณนี่ก็ดีขึ้นใช่หมคแล้วก็แน่นอนครับเรื่องปัญญาสิกขาก็คงจะต้องตามมานะ แล้วก็สอดคล้องกันด้วยพระองค์ตัดไว้นี่นะว่าศีนนั้นเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะศีนที่ถี่ที่ตรงเนี่ยนะครับเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นะหรือว่าศีนเนี่ยเป็นพื้นฐานของที่เราจะเจริญธรรมะชั้นสูงต่อไปนี่นะครับถ้าหากว่าศีนอย่าง ก, กระพองกระแพงอย่างที่ท่านว่านี่นะฮะมันก็ยากจริงๆนะครับจริงพ่นะเพราะว่าพุทธพจน์ที่ให้เห็นคุณค่าของศีลก็คือให้เห็นโทษมาดว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศึกขาบททั้งหลายโย ถ้าเป็นพระก็บอกว่าเห็นอบัตทุกกฎเหมือนกับภูเขาวัางั้นแทะเห็นคําพูดเช่นนะพูดให้แล้วก็ร่วงอบัติ อ, อบัตทุกพาเศษพูดกระทบกระเทียบเชิงตลกโบคานะกระทบหน้าตาผิวพรรณสวดทรงสันฐานต่างๆเหล่านี้ด้วยความตลกโบคาเป็นต้นถ้าหากว่ามองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีโทษน้องๆปาราชิกนั่นแหละว่า ง, งั้นนั่นแหละศีลจึงจะบริสุทธิ์ได้ด้วยดี ท้าไม่อย่างนั้นก็ลำบากถ้าศีลเหล่านี้ไม่บริสุทธิ์ดีนี้พองค์บอกไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเลยที่จะทําให้เกิดอวิปปิสารเมื่ออวิปปิสารไม่เกิดปราโมทจะไม่เกิดเมื่อปราโมทไม่เกิดปีติปัสสะทิจะไม่เกิดเมื่อปัสสะทิไม่เกิดสุขจะไม่มีเมื่อสุขไม่มีสมาธิก็ไม่มีเมื่อสมาธิไม่มียถาภูตายานทัศนะก็จะไม่มีเมื่อยะถาภูตายานทัศนะไม่มีนิพพิทาจะไม่เกิด เมื่อนิพพธไม่เกิดวิราคะคืออริยมรรคไม่เกิดเมื่อวิราคะไม่เกิดวิมุติก็ไม่เกิดวิมุติคืออริยผลเมื่อวิมุติไม่เกิดวิมุตติญาณทัศนะคือปัจเจกขณะญาณเป็นต้นก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นวิไนเป็นต้นกุศลศีลเหล่านี้ก็เพื่อประโยชน์แก่สังวรสํมรวมนะสังวรก็เพื่อประโยชน์แก่อวิปปิสานทำอย่างไรรักษากุศลธรรมเหล่านี้จนไม่กินแหนกแคลงใจกับตัวเองได้ นั่นแหละเรียกว่าคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วในเรื่องของศีลนั้นถ้าเราเข้าใจดีนะจะทําให้เรารู้จักด้วยว่าใครมีศีลและไม่มีศีลพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าศีลจะพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันนานๆและคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่มีปัญญาหารู้ไม่ราะคงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นนะครับเคยมีปัญหาไหมคงไม่มีนะ